พระบัญญัติ 1,059 ก็ภิกษุณีพึงหวังทำสองอย่างจากภิกษุสงฆ์ทุกถึงเดือนคือการถามอุโบสถหนึ่งการเข้าไปขออวาดหนึ่งผู้ฝ่าฝืนรมสองอย่างนั้นต้องอาบัตรปาจิตตีเรื่องภิกษุณีไม่ถามอุโบสถไม่ขออวาดจบ